จึงชื่อว่ามัชิมะนิกายอุปริปันนาตประกอบด้วยห0สูตรเบื้องบนอันเทียบได้กับส่วนปลายของต้นไม้ในเล่มนี้มีห้าวรกวร์ละส0บสูตรคงมีพิเศษอยู่วร์กเดียวคือวิพังควรคซึ่งมีถึง12สูตรเมื่อรวมจำนวนสูตรในมัชิมะนิกายทั้งสมเล่มเข้าด้วยกันเล่มที่13มีห0สบสูตรและเล่มนี้คือเล่มที่สี่ มีห้าสิบสสูตรจึงเป็นหนึ้าสสูตรขึ้นวักที่หนึ่งเทวะทะหาวักวรคมีเทวะทะหาศูตรเป็นสูตรแรกประสูตร์ที่หนึ่งเทวะทะหาศูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในเทวะทะหานิคมพระผู้มีพระภาคประทับในนิคมเทวะทะหะแควนสักกะณที่นั้นได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า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 ผู้มีวาทะอย่างนี้เป็นพวกนิโครนคือพวกนักบวชพวกหนึ่งมีนิโครนธันน้าตาบุตรเป็นหัวหน้าตรัสเล่าว่าพระองค์เคยเสด็จเข้าไปหาพวกนิโครนเหล่านั้นถามว่าพวกท่านมีความเห็นอย่างนั้นจริงหรือถ้าพวกนั้นรับจริงก็จะตรัสถามว่ารู้หรือไม่ว่าได้เคยเป็นอะไรหรือไม่เคยเป็นอะไรในการก่อน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 เพราะเหตุที่ทําไว้ในการก่อนหรือไม่ใช่เพราะเหตุที่ทําไว้ในการก่อนพวกนิครณก็ถูกติเตียน7ถ้าสัตว์สวยสุขทุกขเพราะท่านผู้เป็นใหญ่สร้างหรือไม่ก็ตามพวกนิครณก็ถูกติเตียน8ถ้าสัตว์สวยสุขทุกเพราะเหตุบังเอิญหรือไม่ก็ตามพวกนิครณก็ถูกติเตียน9